Namodatsa, Bhagavatu Arahatu Sama Sambutatsa Namodatsa, Bhagavatu Arahatu Sama Sambutatsa Namodatsa, Bhagavatu Arahatu Sama Sambutatsa Idani at kami, diwasi, พุทธะปริสายะกายิตมีกะถากถิยะเตสุขข้าสังคัสสะสัมมิจยาสมัคกานังตโปสุขโขติกิมัจฉะธัมมปริยายัสสะภัตโธสาทยะมันติสัทกะตังธัมโม โสตะปุฐีณวันนี้เป็นวันณกมีดิถี ต่อความเจริญให้แก่ชีวิตของตนเจริญให้แก่ชีวิตของตน สมภาทานทรงเป็นจากเวระวิรัตได้ซึ่งเป็น คือเป็นเครื่องประกกับซึ่งบารมีแก่ตนของ ก็เกณฑ์ซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นคําสอนของพระ สมคันังซึ่งแปลเป็นใจความว่าสุขุซึ่งให้เกิดซึ่งความสุขการที่ หมู่ทั้งหลายได้มาพร้อมเปลี่ยนกัน ในคําคําสั่งสอนของ เป็นหมู่เป็นจํานวนมากซึ่งเราจะเห็น ของแต่ละจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่ ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทุกทรงอย่าง อยู่ด้วยความสงบสุขยังไม่คงเหนียวๆก็ดีๆก็ดีอำเภอนั้นๆ ที่มีความสงบสุข ทั้งในด้านของการกระทําๆก็เพื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการและสายสารูปกาลๆ ย่อมอยู่เด่นเป็นสุขเป็นปึกแข็งแน่นหนาและมั่น ไม่ว่าความขี้เกียจนั้นจะ คือสิ่งที่แปลกใหม่คิดในแนวทางของการ ถึงแม้ว่าแม้ว่าแต่ไปก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อนั้นและมั่นคงต้อง ไม่อาจจะปฏิเสธได้เราท่านทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสรู้น นะคือฎีการู้มันเป็นเครื่องแสดงแบ่งให้ปัตตุ ว่าเป็นผู้มีความเป็นผู้มีความเมตตาปรารถนาความสุขความสดวกสบาย ผูกมัดจิตใจของผู้อื่นให้มีความจง อย่างนี้เป็นต้นปิยวาจาการเจรจาวาจาสุภาพ ในกิริยาละวาจานั้นเหล่านี้ และให้มั่นคงใต้บั้นคงในเรื่องของความ 2 ว่าสมัคคานังสโป มีความเพียรเพื่อย่อมเป็นลักษณะแห่งความสุขหรือเป็นความสุขอย่างหนึ่งแห่งความ บำเพ็ญซึ่งคุณงามความดีทิ้ง เป็นวันนี้เป็นวันนี้วันนี้เป็นกาล เมื่อถึงวันดังกล่าววันดังกล่าวพวกเราทั้งหลาย ล้วนแลเป็นประสานที่ก่อให้ และประกอบด้วยอักขะสาวกบูชาก็ เราได้มีโอกาสได้เห็นพระพุทธรูปก็ รัศมียะที่เราได้เห็นหรือได้ น้อมไปสู่กระแสของได้แก่ส่วนปฏิบัติ และถึงในคุณพระพุทธพระธรรม อาศัยกันเจ็ดวันวันที่แปดเป็นที่เกิดก็ยังดีเกือบ การฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็น นอกจากการศีลเจริญเมตตาภาวนาได้ชื่อว่า แล้วก็ในทางหูทางใจได้อย่างไรอยากใจการฟังเป็น น้อมลึกอยู่ในคุณของพระ สังโฆคุณของพระสงฆ์ด้วยแลมีอยู่ ของเราหรือไม่หรือไม่ผู้แสดงธรรมโดยถูกต้องดูการกระทําของ ยังไม่ดีตั้งตรงไหนจึงจะดีจิตส่งไปข้างนอกเป็น ปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมเท่านั้นชอบ บางอย่างก็ทํามาแล้วมีการให้ฌานมี ศีลความสะเวมกายวาจาถ้า ก็สถิตมั่นคงอยู่ในกาย เนื้อเผากายไม่ได้เผาวาจาไม่ได้มันก็เผาใจไม่ได้ทรักายวาจาเป็นด่านแรกเป็น ก็บ่ได้ปล่อยป่าร่ือรวยเผอฉะนิ่งๆนอนใจเหมือนอย่างกระชาวพุทธทั้งหลายเรา จิตใจของเรารับรู้อยู่กับสิ่งที่เราฟังตกบกตรงตรงไหน เราก็ไม่ได้สักแต่ว่าฟัง ในขณะที่ฟังนั้นฟัง ฟังต้องฟังจริงๆสงบตั้งใจจริงๆมันจึงจะเป็นตบะความพยาบาทวิตกบ้างมี นั่นแหละคือไฟตัวอัตบาทเป็นคือตัวเราตั้งใจอยู่ในความเป็นปัจจุบันท่าน ให้เราเรื่องที่เราจะฟังก็ฟังไปพูดคําไหนฟังคํา ฟังอย่างนี้แหละมันจึงจะ เมื่อเราเอาความคิดเมื่อเราฟังด้วยดีการพูดการแสดงนั้นมีอยู่ โดยชื่อว่าเป็นเครื่องจูงจิตของผู้ฟังนั้นใกล้ละเอียดอะนีดอ่อนละมุนละไมลงไปทุกข์ทีทุกข์ทีสงบน้อยก็ลงไปสู่ความ นี่ฟังอย่างนี้จึงเป็นกระบะเป็นเครื่องแขดเผา ได้แก่ธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ศีล กิเลสให้เกิดความเหล่าร้อนกิเลสเป็นของร้อนมันจะ ดังนั้นเมื่อเราทั้งหลาย